น a โมตัสสัมมาท a ต a ตอระหตโตสัมมาสัมปุตตะสัมนิตัสสัมมาทัตโต u h a s a m hakawato, arahato, samma, samutasa. b u k a k a m o l a pe putang, tanala pole pe tanang. อทิกกาเยยวนตบัตรนี้หันขม่าฟังแหลเสียงและแล เ, ลเลบิ่งจักวางตั้งว่าเป็นประโยชน์บางพ่อหน่อยกนยอมดีเปรียบมือเท้ากินเข่าถือว่าเปลี่ยนรสชาติอาหารกันแล้วกันเนาะพอหยาิเปโนมเมื่อนี้อาตาัตมาภาพทั้งสาม อาจจะได้นำในท่านมาฝากมาตอนพอญาติเป็นโยมในเรื่องขั้วใบบักตูเตืรนขาดนักปา่าลืมข้องมันสีเป็นไปจังไดนั่นอัตมาภาพทั้งสสีซอยประขับประค้องให้พอญาติเป็นโยมทั้งหลายได้สลับรับฟังในในท่านเรื่องขวใบบักตูเตืรนขาด เพื่อปวเป็นการเสียเวลาอัตมาเสมาสมุทรบัญญหตสันท่านุมัติไดองค์พระที่จะมาสีแจงแสดงธรรมบันเทิงให้พอญาดเบญโยมทั้งหลายได้สลับรับฟังในข้าวครั้งนี้ขอบอกซื้อเสียงเลี่ยงน้ำองค์แรกซึ่งนั่งโยทังด้านขวามืออัตมาแต่เป็นทรายมือพอญาดเบญโยมองนี้มีน้ำว่าท่านพระอาจารย์มหามนตรีทาวโรประจำอยู่ วัดมหาพุทธารามหรือวัดพระโต๊ตำบลเมืองเหนืออำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกตเมื่อในน้อมถวายตําแหน่งให้ท่านแสดงเป็นเท่าพญ า, ายบุญมีจานบุญมีอีกองค์ที่สองซึ่งนั่งอยู่ทั้งด้านอาศัยมืออัตมาแต่เป็นความมือพญาิเป็นโยมองค์นี้เมนำมาท่านพระราจารย์สวีใชยธรรมมัทโร ประจำเยวัาบ้านสว่างตําบลขีเล็กอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อนี่น้อมถวายตําแหน่งให้ท่านแสดงเป็นหลวงพอ่อหลวงพ่อท่องสาาในทองเรืองค่วยบักตูเตือนไถส่วนตัวอัตมาภาพนินาวาทันพระาจาจทรย์ไทยวันทํรมาป่าลอ ประจำโยวาสีสงาวนารามบ้านค่ำเจริญตำบลแสนสุขอำเภอวารินชําราบจังหวัดบุรี ร, รามสถานีเมื่อเนีเสียมะน้อมรับตำแหน่งแสดงนาที่เป็นเท่าแม่ใหญ่บุญศีสีพันรยาของพอเทาจานบุญมีเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตัดสมาส า, าทธทวโเบื้องหน้าต่อจากนี้ไปขอเชิญชวนมวลหมู่คณญาติพี่น้อง หันสัตปษาสาททั้งสองมารองรับพุทธพรพสัตธรรมมเทศนาหน้าที่บรรยายในเนื้อเรื่องแสดงธรรมในวันนี้หน้าที่มาถึงหน้าที่ของท่านพระอาจารย์อาชวิชัยมาถึงแล้วท่านจะว่าอย่างไรโปรดน้อมใจรับฟังนทิทานธรรมเธอดท่านสาธุชน บัดนี้ขอเชิญเดินโยมเจ้ามาฟังเอานิท่านเก่าเหลากันมาตั้งแต่กี่จนเดียวนี้คิจสงบนฟังเอเด้วยพอโซนฟังเอาเด้วยเมโซนบักตู่เดินขั้นไถปาดอันได้เริ่มคองพอเหตุใดให้ฟังไวเจาว้าหัวร้านสิตามใสจูดกระบองเติมคลองเกา่าเเบาความเดิมให้หูแจงแท่งมองปองนิท่าน เป็นธรรมะบรรณาการพื้นบ้านเวบากันไม่ให้เห็นจังฟังเบิงดูสิคือไผพวกมูเฮ้าเช่าบ้านโบเเบวน่านย่านมันเยินขอนำเนินเขาในเรืองบ้านบนแดนเขตแฟวงเวียงพ่วม่วงเฮืองทุกเมิอนีแต่ข้าวกี่เกิดเดืองเลา้าจานบุญมีค้นเป็นก่าวนันเเบาไน ย, ย, ยู่เพียงดาว เ่เมียท้านั้นเป็นคนดีเ่าแเมย้ายบุญสีนันหันไปฟั่งเบรงรู้เจา้าเ่าบุญมีนักบวชเกา่าแล้วศิจ่าปากตานห้โยมทานเรับฟั่งก็มีหน้าการะบัดนี่เธอนอติเตกาเลกิระได้ยินว่าในอดีตการที่ช้านานมาแล้วจะกล่าวถึงตระกูลหนึ่งถือว่าเป็นเศรษฐี ตาบุญมีนั้นเป็นประธานหัวหน้าบ้านไม่ไใฝ่บุญใจก็วุ่นในเรื่องของเมียชอบทําเสียเรื่องแจกจ่ายทางบ้านใกล้และบ้านไกลใครมาขอเรียรายไม่เห็นยายที่จะคิดอดออมเห็นจะยอมกันไม่ได้จริงๆมีโอกาสเมื่อใดจะอบรมกันบ้างเสียทีก็มีนักการและครั้งนั้น โอ้ยพี่น้องเอ้ยว้าถึงเท่าย้ายบุญศีนั่นจากว่าเราเป็นคนดีหรือคนสัวะผัวพ้าเก็บห่อไหวเราโดวใจายบ่เศราบ่ใดดอกเมื่อนี้เมียคอยย้ายบุญศีนั่นไปบัดตั้งแต่เช้าเสด็จไวเพ่งง่ายอย่างบ่ทันกลับมาบ้านฮึมขันมาหอดนีฮึมได้ด่าเมียให้ทักทักเบื้องก่อนดอก สรางบ่มีหัวขีดหัวหาหามันแท้มึงโหลดโดยอีเถาหนังเหนียวมึงมาเบิ้งบัดนี้จะกราวถึงยายบุญสีผู้มีใจฟักไฟบุญเพื่อเป็นทุนเมื่อตายไ ป, ไ ป, ไปเหมือนหอก้าไวา้ตอนเป็นคนจะไม่ยากจนยามเป็นผีวันนี้โอกาสดีจะไปร่วมบุญกับเพื่อนบ้านและช่วยการงานอยู่ทางวัดจึงได้จัดซึ่งสิ่งของลงตะกร้า ได้เวลาจึงไปหาจันบุญมีเผยปาจีออกไปว่าพอแถาเฮ้ยๆจมอย่างนอแต่เศร้าเสียงมุมมุมอยู่ไหนบอลเตือนแต่เรกลูกแต่เศร้าแมันเสียงเบาดาผู้ใดนอเแถาจันโต้งเตงอันเแถาจัย์ตงเต่งบาจีใครบ่ได้ชื่อตงเตงง่อยชื่อว่าจันบุญมีแถวได้สีพีบากคนึกว่าแมันเจ้าไปวัดแต่เศร้าบ่แมนตี เอาไปมากเจ้ามารักเจ้ามัดจ่อฟังคอยตมอยู่ที่บ่าได้ไปวัดทิ่เดียวที่นั่นนั่นขันแววไปว่าเจ้านั่นดาบาเท่าห้าบุญมีจันทิ่ซว่าคือเขากระดางเมี่งฝูงบ้านเอ้าเพื่นกินท่านเจ้าโรถขานทั้แต่งานก็แต่เบียกว้านบ่ไปสินบ่เบาปานว่าเจ้าบ่เคยบวชเรียนเนออันเท่าจานตาเจ็บเท้าจันกายย่างโอปาดโทษโปาดโทษปาดโทษใหญ่มีไหม ย่าให้ไข er ่น anyway, ี่เกิดบ yeah. ้าขาเมียก yeah. ่อนขึ้น oh ง่ายเด้ออดเด้ออดเด้อใจมึงจะไปเด้อขากูคิดเตะเมียขึ้นป้าปีหนาจังคิดจอยลงเมื่อก่อนหน้าอดเด้อใจเด้อจะจะโมโหหาเจ้าทิไปใส่กระตามเจ้าไข่นั่นเขามาโดนจนว่าไข่นี่เบื่อละละเว่าเรื่องว่าเรื่องว่านี่ไข่นั่นบพาอยากเล้านําซุ้มเจ้าผู้บ้าบุญเออเออแถวจานน้าหัวกเออ จางเป็นบอกคือบ้านบัดหมูเพิ่นเป็นจานมาือหายดีว่าไปวัดไปว่างานยีหนังเพิ่นนั่นพร้อมเห็นหาชูข้นผี่นองโอ้ยภูวดนคือเจ้าบัดเจ้าลื่มว่างปล่อยบวชมาตั้งแต่น้อยเริ่มค้องผ่าห่มเหลืองอันเถ้าจันทรตง่เต่งอันเถ้าจัน์มาโรคอันเถ้าจาน์มาเสียงอันเท้าชื่อเบ้่อเฮ้ยเจ้าเนี่สมัครเรียนเป็นบักตูมยิงแต่เจ้าเนี่ยคือ คันเจ้าว่าข่อยเป็นจานโตรงเตียงจานเสือบือจะมาเอาข่อยเหตุหนังล่ะฮะนี่เจ้าไผ่เอาไผ่ล <Jorge S 1> <No. S 2> ่ะกะหามันมาคุยเหรอมาจางว่าแต่พี่น oh no? ้องเอ้ยอุปังทางเทน้ำเมียเดีนี่อีเมียเมียเอ้ยอีเมียยอดกับเขาน้ำมือเสาน้ำมือแรงเอ้ยน่โม สันผางคานวาตุวารันาตุสมัสสัมพุทธสานมุตตันสันผางคานวาตุวารันาต สัมมาสัมพุทธัสสะนามตสันสันังขันวาตระตุนสห สามพูทตาสามนะขอเชิญพระผู้อนันมาฟังเล่กะเศศสียงสำนวันว่าขอประกาศอันื่น เพื่อนเรียนนังอยู่หือนน่าไว้เฝ้าคาดเคืนไว้ไว้เนืสีเสียดายไาว่ามีงานเดียวเดี่ยวมาจึจงเจอพ่อนัน ขอให้ใบว้เข่ามาบุญน้ำเพื่อเนื้ฮื้อันเท่าแม่ใหญ่เดือนฮื้อันเท่าแม่ใหญ่เล่ด้ยินแถเน่โบนอน อนเท่าพ่อหน่์ไายอยู่กำไฟทางทิศเหนือเลื่องถามมหาพระพุทธก่อนสะอ่อนโอ้งมขอลโลไปให้ดังไปไกลดอกเท่าทัวบอกไปทุกครอบตัวหูอยุ่ตัวว่ามือเนียเพื่อนมีเละเที่ง ได้ยินไปไม่ใงเอียงบ้านอยู่ขอบตาวันตกบอกแน่เดือพอท้ายกให้พวกเงินมานำพอมเดี๋ยวนี้ยังซ้อมเล่นบ่เห็นเงินดอกลงบาทจังประกาศคำนาผู้มาทางให้ตื่นตัวพยอยากฟังทีท่กูกอยากฟังโ อ, โอ บาดเสียงห้องกาแต่ต้องเตรียมละเงินทองมาหยดดวงไปพมารมซาลาตัวนอแเมยายกอมปะพีนี่สันผาหากบ่าทาจังสันมันสีสันว่าหตุขโค้ง เมื่อาบ่อนออ้อพวกพี่น้องที่ฉันเลยจะเลยจะเพลีลาพายผู้มาฟั้งทำอย่าน่งกำดอกเงินไว้นำ เพอปู่มาฟังแหล่ก็ทำบุญไปน้ำแนยเพื่ออุทิศเปยแผ่เปลนกุศลได้ความบานสิผ้าเจ้าสูนิพันละเพื่อนยังว่ายู่วามบานยาดีอานแต่เขากินในผลสินผลทานได้เบ่งบานเสมอนานเพื่อนหลังค้าเดียวนั้นถ้าขาดสัมพันธ์เพื่อนบ่เอื่นดอกบามัว ผู้เดียวคู่ลูคู่ลูคู่ลูคู่ลูคือคุยตูบ่เบิองอามืองและวย่อมไปโยมเทศกะเทศดยกเรื่องไปตามเรื่องแสดงบทว่าไปตามสุนทอรพูตร พระธรรมไปนำพรอมคือเรื่องความเท่าแขนสันป้าติน้นแดงเท่าลีนการเปิดผาเนือปึกตำนานตามนิทานที่ียกร้องบอคานขอม เทวะได้สันดดษนามสันทา ตอนนี้จานบุญมีมาโนสันสังเมียตปากบ่ชคอบเทาผีปอบปากกา้าเทาผีบาเทาหาเกิน เเท่าปากพุดเท่าปากกินเท่าปากเน่าปากเท่าเหม็นปากบ่เป็ี่ยนปากนะปากบ่เป็นเึินคนหน้าบอลงมันแท่านำเท่าปากเปงหาแต่เหลืองเถียงแต่ผัวหาแต่เงี้ยเจ้าเป็นเมียบอเม่ยนเม่แต่บอถือพ่อฮักเจ้าไม่เศร้าเบาเจ้ายาจาง จานตรงตเลิงจานกระเบื้องจานเข้ามายเส้าตีจานขี้เศี้าสาเจ้าย่าจ่ายเส้าใบหนำจานน่าสดใสคือตัวไข่จานเผิดพ้อยจนคุ้นซ้จานหญ้าคู่จานหญ้าซาไข่กรยนหยกย่อ ง, องจนเสียงก้องสานนามืองน้ำเสียงไข่อยดังซืือเสียงไข่ดังหยุ เปลี่ยงเปรียงเปลียงเปียงป่งปงปากระเดีองดอกล้มบนแม่แ่าสีเอ๋ยคนนี่มนบ่เศ้าพักเทิก็ ด, กดี ด, ดอกเกินบ้านหาเ ท, ดาทดิดานเทิสู้ดุดันจนคนสามขันเม็นฮาบ่มา ก, กินดอกไกล้หน่อยป่านนี้ไข่ได้นางมือง้ออัน ขันเจ้าบอสางเรื่องไอ้ปวนปันในคลองสูงปันนี่ค้งสุขีเท่าแม่บุญสีเอื้อข้าวเจ้าเคยเป็นสาวน้อยไปวัดว่ามือละหาหกเถ้าเอาเจ้าไปเพื่ออ้อยคอยจนเสียแต้มเลียมบักน่าวนสึกออกมา อยู่ <You S 2> น้ำกั น, น, กนเป็นอย่างละสึกออกมาอยู่น้ำกั น, น อุ้ยหลดเป็ น, กนเกาวงามเท่าแก็บผัดแปรี้วหนเท่าบ่ควรพ่องามปากว่าเป็นสังหาเว้าเขาวัดมาจนว่าไข่นี่เท่าเน่าวัดดูจนว่าหัวลานเคืองเท่าบุญสีเอ้ไข่เถิงทำแต่ก้อนเจ้าไข่อยพ่อแล้วดอกเลืองเสียน อ้าว่อยหูเบิดทุกสิ่งสิ้นคำว่าบาปหรือบุญน้ำพายสิไปกับไปเลยอย่าสมาร์หาเอื่อนเรื่องบดาดบาด่อยเศร้าแล้วเรื่องทำบุญไข้เศร้าก่อนอย่าบะเลือนคำสอนย้อนบวช ด, ดนเด้อพวดมูอเจ้าอย่ามาเบา่อยบอ่อทำไข้บ่อทำน้ำ ฌานบุญมีนี่ส nee ิขอบอกยำท้ำโหลดไผสีท้ำย้าบุญสีสีท้ำไปบ่วาเลือยกระเชิญได้น้ำแต่ว่าปัดใจนันของไปมันคอยบอกเกียวแม่บุญสีเอ้แต่ว่าเงินเสลึงเดียว่อยนิโนอยสีบ่ให้เจ้าสีเอา สันดอกนาหะทาวะยา ขอได้่อยเฝ้าเ่าบุญสีจานบุญมีขอบอกอยามามโรดไผยชี้ทำไปใจบ่ใสายามาจ่าเ่าแม่บุญสีบาแต่ว่าเงินค่าใครอยาแตะก็แล้วกันเจ้าที่แปลเอาเงินไสไปทำบุญทำทานก็นแล้วแต่เจ้าแต่ว่าเงินไข่อยหามาเจ้าจะแตะต้องเงินไข่เป็นเด็ดขาดนะจะบอกให้อ บฝ้ามาดักกระเขือความเดี่ยวนั่นแ่ะจะเมนเทาปู๋ยสมเฝ่าสับย้ายวนเสียงฮวาอ้อนซาลาพ้อปันเต่าดอกเฝ้าเจียจังเมนสมังเทาบุญเมียจันคีเสียงยาคุณนอ้อยพ้อย่าคอยให้หาโล าลาแถวบนเมียบานป้าส่งแถวแห่งโกงคอคำแ่าห้าตำพุงใตสร้างเาบ้าไปบอเป็นเรื่องละ่ะเจ้าเร้าคือ ใจคอยเหนว้าบ่จริงบ่หาใส่ละเกิดตะน้อยจนว่านี้ไบ่เคยไปวัดตำขามหาบาเรื่องบ่จริงเถ้าอืดนะ เมียนตเต่านั่นเราวิ่งเข้ามาพวดอยู่ในเฮือนเจ้านั้นเวียนมาเว่ออยู่บนเ้าประจำบ้านละเท่าบนมีเท่าหันละ แต่ว่าเป็นจานบาดร้ามเอินบาดสมเสื้อและบาสมคนซาเลือยกเจ้าขวางนั่งเทดเสี่ยงคนเลือเรือบหยกหยอละบาดเบืองต้งกัน ดอพอสมสอนอเท่าจานนาบวชมานานสาวพันสาทองกุศลาบ่ทันได้งมันพูดไปว่าเกินบ้านแนวสันดานของคนสัวละเมยใหญ่เอ้ยละบ่เอามาเฮ็ดผัวขั้นหัวตังแทกี่มันกระบอกเห็นนะแม่ยัง มันยังบ่เห็นว่าให้มันเบิดโรดโว้ย ลยามนาทำบุญการสิปัถนาเวนเห็นห้อยยางสิไก่เหนี่ละเอาเท่าบนเมียจันกระเทินจังแมนเกินเศร้าบานล่ะและจังแมนคือหวา น, านเกินคำคู่จังพันว่าป่าลืมของต้องปล่อยทิงปร<ล>ะปิาปงนันตื่นเมื่ แ้วเตือนบ่วงดวงเตือนพันนั่นเศร้าโ๋อันขวาควายบ่แขนคอขาดเทศไลห่าง เอาละควายไปเธอควายไปขวางว่าบางแอกแปลกสนกันกิ่งหล่อนันคนเขาสัวแต่มเมืองอ่ะอันวัวควายเข้าบอลยังมีควายคขยงเข้ามาแทนแม่นเป็นใส่มาแต่นางหลดยนเทนหล่อนี่จังแม่นเจ้านอสมมเขาแข็งข้อขาคือควายนะาเจ้าเห็นไหและสร้างเดินขวา ป้าเดิ่นเงาในความเอาคาเจ้าควงนะเจ้าเป็นคนมักย่องบะเรียนทองฟังเห็นละละยงานสาวเอ็นเพนอนบะทองเรียนเพนต่าง ไข่ผัด้ังจะเลี้ยงใหบ่อยากมองดูหน้าจาันบาหูพางตาจะเป็นบ้าเกินมัว ล, ละตัวมมงสูนคนเดินบานละคนเดินบานเสียขันคำ ข, ขึ้นใสเขียงละค่อยบักเล่ผนบ่เลี้ยงเปียงหยาอ่อนมันซ้อนขาดปาดนั่นเลื่มคองวัดสิแม่นจานบนญมียน่ ละมวัวพันดีกเกินบ้านทำงานอย่างทำเป็นมวัวความกับทังหลวงปู่ผู้พันอยบัดกวงที่ผ้าสัางดอกบัดบามีแต่เจ้านั่นลบับตาเหตต่างมวัวพันเลือหลเรา อ, อุ้งอง้ยสร้างบอดตายไปแทนผู้พันดีแทนนอเจ้า ว้าไปลายย่านใครน่าทั้งสงสารเท่าแหงเสื่อละระบากระบาดเรือเกินบวชมาดนแต่บูชเปียงเข่าผู้พันธ์ น, นะเฝ้าไปลายย่านบาดต้องพอคำดา่าผัวตนไม่ใยเอือยะละแม่ยังสารก็จำเป็นพราะว่าเห็นคือว้าอ่าละเศร้าแสนอ้คอย ไม่ได้ค้ไในก้บนสวงนละเว้ากับคนบาปปลุกนะละเถ้าบนมีเคค่ยงยงอ๋อยาากไปนะให้ กระบาสมควรแข็นเท่าบุญมีหาเรื่องใจพันหนพันหนาบ้าคอยไปคอยเ้าเอาม้าใบถ่าเห็ดถัวแมยไงเฮ้ยบอกมาแต่แม่คอยเก็บไก่ห่างกันั้งว่าบ๊อบแมนบอกจังจะจ้าเป็นเจ้าหน่อยนั่นมือได้ก็บปอดปอดยุติปะตูโขงวัดกัไปอ้อยคอยนีราบะหนอเจ้าเป็นบาเบ๊อบแมนคอยหาเรื่องเบามันนันแมนคว่ำจิงเท่าเอ้ย เจ้าเป็นเจ้าเป็นเมียคอยเป็นผัวกระแมนค่ำของเจ้าบ่แมนติซึกออกมาโรดพิการซึกออากมาโรดว่าฉันมร่รนะขัจะแมนเบาเขาขานแต่เจ้าของนอเทเอาห่า เจ้าเป็นบาทเอ๋ข่อยบาดหม้คว่ำคือเจ้าเบาเดยหันไม้ควมวมาจังไดข่อยาเชือกมารดพี่จานขันบ่อขี okay. ่ขานจับบักจอบจับบักเสียมฉันก็พี่ข่อยบาจังเชียไ่ได้บอกแนหันเดี๋ันก็คว่ำไม้เยวกันระเท้าบุญนจีเท้าได้จีโอ้ยเจ้าใจเสตข้าวตังต้กจับของหลเด้อขันข่อยบาคือเห็นแกหนาพอหนาแม่ข่อย ถ้าพอเห็นขาอ่อนทักนี่คือเขาแล้วกันนะไม่ซ้ำนี่เสียใจเห็นแล้วขาแก่ก็เห็นบ่ต้องเเ้าดอกเถ่าเอ้ยขั้นแม่นเจ้านั่นบ่ดอกให้ข่อยืึกออกมาจากตะกี่ป้านี่ไข่อยู่สบายแล้วไข่ได้เป็นประกู้ได้เป็นเจ้าคู้หลักกับบ่จักป้านนี่เถ่าชี้ไวเถ่าจานเอ้าขั้นเจ้าแน่กระป๋ากันกับไข่นี้ไปบวชไหมเบิ่งด้วงไปเมื่อทดก็ได้ร้องแม่ศิษย์ไดว่าอันเถ้าจานอ่าง วัดอีหังกาะป่าวัจีเออขันป่ากันเล้วขวตีอยู่กับเจ้าบรหัรไม่ขัดฉันสีว่าป่าป่าเท่าฮะช้างเป็นแทะช้างเทาฉันก็เท่าเท่าเบาท้อท้เท่าเอ้ยขันเบาเรื่องป่ากันนั่นข่อยบสูยเจ้าดอกได้ฉันสีโอ้ได้บุญสีนั่นมาช้างสีมาเล่นกับข่อยแท่าช้างมาเท่าไว้แท่าข่อยแห้งจากห้องแท่งป่าผัวอยู่ไม่ ถ้าฉันกับนางตายตัวนี้คอยจะไปว้านน้ำผูบ้านเมืองเพล็กวันโอ้เอาเอาถ้าฉันกับไปโลดไปโลดไปเอาบุญมาฝากคอยน้าแนยไปเอามาปิ้งให้คอยกินน้ำเนยตัวบุญนั่นคอยบวชมาโดนบวเห็นพ่อโตบุญจากเถื่อไม่จะเสียกับเสียทานทอดเบิร์ทอดนั้นตนคอยอยากเศราเวบาเรื่องวัดว่าจะไปโรดไปโรดพวกบ้าบุญเอากระต่ายยังไงเอาเงินยังไงไปเอาโตบุญมาปิ้งสู้คอยกินเบิร์กหนา โอ้ยเ่าไปไล่แหงเสียแต้มแนวค้นเกอเอ๋บะคองแม่ดองเอ้ยแนวจ้องห้องอวดหูควายบักตู่มันหมักชนเมื่อยายบนสีพูดเสร็จแล้วก็รีบเตรียมเอาเข้าของเท่าที่มีลงใส่ตะกร้ามุ่งหน้าเข้าไปวัดเพื่อไปปรึกษากับหลวงพ่อเมื่อไปถึงแล้วก็ไปนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็มีนาาละข้างนั้น บัดนี้จะกล่าวถึงดงพ่อทองสาผู้เป็นสมภารวัรวดผู้เค่งคัดในทางธรรมทำหน้าที่เจ้าอาวาสโดยไม่ขาดจิตเจ้วัดทำเค่งคัดตลอดมาเทศนาโปรดญาติโยมสมที่โยมกราบไหว้วันนี้ใสเห็นยายบุญศรีมาแต่เช้าจึงได้มาปรึกษา เห็นหน้าตาไม่สดใสเป็นอะไรแล้วละโยมอ้าวอ้าวอ้าวโยมเบบุญสีเอ้ยเป็นจังไดนาอเมือนี่จังไถมากกรมูมากกรมูจังสี่แม่นไดเนี่ยไถ่นาออาหารการกินน่ะอันพ่อสรีได้เดียงสั่งที่เฮ็ดสั่งซาลาโบนอโยมเมบุญสีโอ้ยกรมัแต่เช้าโยดออกเมื่อนี่ผู้ค่า แนวจูแนวกินกระไดมากยูไดแนวจูดอกบักฮุงบักก่อแนวมนันก็ไดจูบ่อยบักหอยเซรี่ก็ไดมาน้ำจดตัวดับพุขาอาหารบักหอยเซอี่ก็มีทีนี่ล่ะยมมเอ้ยอันยมเมย์เบาคือเบาสองอันจังสันยมเมยอันบักหุงกับบักกอมันคนละอันสันบ่อยยมเมย ขอโทษทอขาน้อยผู้ขาเบาพิษไปว่าเสีว่าบักหุงกับบักทัวฉษดอกศูนย์หลายก็ได้เบาพิษพิษเถึกอถื่อดอกผู้ขาก็บอกเป็นอย่างดอกโยมเม อันเป็นอย่างจังศูนย์น้อล่ะหลวงพ่อถามแค่นี่คือมาสิษศูนย์แห้งไว้เทลา่าโยมเมย์ทำหน่อยหน่อยนึงเพรได้ถามยังมากมายโอ้ยบอ๊อบแมนผู้ขาศูนย์ให้ยาคูดอกศูนย์ให้ทอจารย์บุญเมียจานแกเป็อย่างจานหัวลลานผู้ดโดเฮี่นั้นดอกแง่าทานอ้าวอ้าวอ้าว อันบัวหวานบัวดบวย้มเม่เบาข้าอื่นก็ใดดอกถึงพ่อ่านเมื่อกี้ไรดานอยู่ตละโยมเม่โอ้ยเบาขํามไม่ถอนย้อมเม่ขอโทษขออภัยผู้ยุติกร่านเออใจสีเบาอย่างในที่แล้วเบาข้ามไม่กระใดคันว่าหวานบัวใดเบากันขําอื่นโอ้ยผู้ขาบัไดเบาให้พันหวงพ่อดอกที่ว่าร้านบัวม่นด่านอยู่นําโมนี่ดอก้านแ่าจานบนมีผู้เดยวเท่านั้นดอกค่ะตี ลายโยมเมบุญมีนันอันอันโยมเมบุญสีนันมีเรื่องอย่างน้อเข้ามาสูนแห้งเทลายโยมเมย์เบาให้ฟังได้บ่ลายโยมเมบุญสี โอ๊ยผู้ขากะตั้งใจว่าสิแม่ผึกชากับเพื่อนวงพอนี่ยนะจ๊ะอืมออันเถ่าบนมีอยู่บ้านอยู่ไปนั่นรถนับมือเปรกับยังบ้านวังพอโอ้ยเบ่าเรื่องบ้าเรื่องบ้าเลารถชุนโพล่หายเพราะป่านเจ้าเขาสู้สิงโอ้ยจักเสียหายผู้ขากเก้ไขจังไดดอกโอ้ยนี่บอเพื่อนบ้าเอาผัวผิดคิดจนมือตายจังเป็นผู้ข้าเอาผัวถือผู้ชายขับกันน้อง ยังกระถือป่าในตระกัาผู้ท่ายสัมบ่านํำก็ยังเป็นจานอีกสัาโยมเมโอ้ยบ า, บาบัดแต่ทอนี่เด็ดวัวร้องพอเอ้ยว้าวผื่นพระพื่นเน้นเชียรเียรห้หายเรียงบัดเรียงบ้าบอดจากเอาสัมผู้ข่ารถจากไอบ้านจากไอเมียงพุนแห้งชอยในท่ออันพ้นหลวงพอแก้ไขจังได้น้อผู้ข่า โอ้ยโยมแม่ก็เลยทุกอกทุกใจจ้าพวกขากับเบิร์ตมองไปเนาะสิไปเฝ้ากับพี่กับน้องถ้าสิหน่อสีหนังนั่นเราก็บอกมึงต่อเตะมาบอกให้มึงเอามึงแล่นเอาเฮ็ดหังเพชรีบ้าเพชรทุกข่าพุกขาก็เลยบ่มีมองไปก็ได้มาหาหลวงพ่อเนี่ยละอะไรโยมแม่เอ้ยข้าราชการกับฟังอัานหลวงพ่อสิเฝ้าสู่ฟังเดือหามันเกะได้จักวังจักรข้าวโยมแม่เอ้ยจ้าอืมอืมอ่ะถ่าอยู่ให้ละโยมแม่ มัดเนนทำเป็นสาวสาวบทก่อนหรือจ้อนเข่าคายภาคบัรยัติการถูตั้งคันเป็นแหล่เทศานาะ สกหมกเอ้ยเพิ่นว่ามาอืดหยาคันเข้ากาเม่นมือทานเข่าจันทานแม่นดอกฝายไล่ฟอกพ่อยละเม่นลากาดินห่าเย็นย็นเอ้ยละเม่นเดือนเก่าหนาวนาวเอ้ยแม่นเดือนนี้ละมิดมีเม่นปาสาไทยธาเม่นนกท่า ปีสีมากระบวทันไกเดือนต่อไปกะบวทันหอดอดหลอดขนยางบริเมนทางใหญ่ดอกแฮงหนูเสียงจกกรูนกเขาห่องเถืองกอกให้ตั้งลายเล่าซาดบ่ิเบนนกเขาไพอยาไปอยากได้ให้มันห่วงอยู่เตะมันอยู่เตะมัน จังวะวัดนี้นั่นสิจักตอกสานได้ขัดเฝ้าตำกวานทรมาวัดเพิ่นได้แปลงแถลงบัน ล, ลัอก์เออในตอนนี้ไขประตูวางทางเปิดถนนหนทางสีวางทางว่าไขปองฝ้าเบิกเมีกเป็นสีทองอากาศดีกะจังแจงนั่นเป็นเมื่อแม่นล้ยาม อุอ้ยได้เห็นโยมทุกทุกท่านพร้อมมานั่งเป็นทันและฉันดีใจที่เห็นโยมมานั่งฟังกระเสือฟังเทศเสียงพผาถรำแหลแปรตามของบ่อนอกเดืองอุอ้ยถึงสิเป็นเทศเสียงกระเลี้ยงมาจากบ้านเข้าผาทําเจ้านันนอพุธูนอพุธู ลมน่ะอวยบอลแมน่นแดกโกโกโอเปาเปาให้เสียส่วนมีทั้งทำทั้งบุญบอนคุ้นในตอนไายละฟังบรรยายจนหมดคอนิทานทำบอลเอือนอ้อยละซอยวิจ า, ารณ์อ่านอ่างทังหน้าบอลนิทานบอลนิทานนะและยาห่วงไหลายตั้งแต่บ้านด่านดูกให้เศร้าป่าจงสระเวลา มาแต้งบุญให้หนุนคำมาฟังธรรมยามจำด้หูตาใจจำเจือฟังกะฟังกันสือๆอหูบ่ใสใจบ่แจงความจำนันกะบอ่มีกะบอ่มีโอ้ยโอกาสดีนอในเมื่อนี่โยมท่านที่มาฟังนะี่ท่านดังตามยุกพัวที่ฟังที่เห็นแจงละ บทแสดงในตอนนี้ฟังว่าจีสีได้ว่าคอยมาตู่มันเตือนนะอันวัดว่าปาดบอจองเสียนโม่ละว่าปองนิทานลานะลานะลาละนาละยู Om l o o o o o o o o o o o o ในตอนนี้หันมาจากบอนเบาเท่าหลวงพ่อจันทองสาได้นี่นปะป้าเฮือนสิ่งที่มีกะว่างแล้วหมวดถูกแนวบวนพ่อฝูงว่าขัวไอเท่ากับปอยบอ่เคยหันไว้คงประสง์สางป้าไฟคัาว้าไฟขวังเฮือนในหัวหนาควางเกากะเสาละพันระยาบุตรลาก ะ, กะเล่าเริ่มจนหมด I'm a m n uh... เดินเคยทำํำหวยดินเคยทํานาเคยสร้างวางหมดไปใจบอ่จอจ่อสิบหาปีแต่ตั้งต่อทําความเพียนเยอดมันกะวางได้ดอกตอนบุญ อ, อดีตดังแต่ก่อนพุ่นเป็นคนตื่นดอกดื่มลงและใจบอ่จอจงน้ำบุญอีกวัดว่าบอกเคยเเาวและเมาเริ่มต้นจนสิเท่าเมานานเฝ้าดอกนาให้และเกือบแม่ หมดเวลาไปพึ่งมาใส่หุงแจงเอาตอนนี้นับบาบุญอ่ะแลความก้าวดังอดีตพุ่นบ่ต้องก้าวดอกหันกาบดอกใหยอืฮ้ออ้ยมาทำบุญต้องเป็นบุญไฟเฮาผูวทำแน่อ และเฮานั้นเป็นเครื่อแก้วกระจกเงาแยงบังจังสิเห็นบอนแจงผ่าทมนั่นละบอนดีอ๋ยอยยมบุญสีอือ อ, อยอยยมแม่บุญสีเอ๋อยจานบุญมีหูกะหูอยู่แล้วแต่คุณค่าบ่หวนเห็นนะและเป็นเครื่อขำาปิศสณาเปิลบามาดอกจา่าใบเณนะและไก่บ่เห็นคุณค่าเพ็ดพลอยนิ้มที่มี่า ดิ้งบะหูหนไว้แก้วเป็นขวางเด่นนั่นดังยินะและจานบนมีเล้บาบอหวานวังสิ้นสิ้นทําเก่าที่เคยเธอ และใจเดยว่างบ่จดจําซ้าไกลดิ้งบ่เห็นขาดเราแม่เจ้ามาอวยแม่เจ้ามามาทําไว้เจ้าคนทําเจ้าคนกอ่อเราบ่ต้องฟังเพื่อนเราเจ้าทําได่ดอกแก่ตัวลราผู้ที่เขาคิดชั่วตีแต่เพิ่นบ่เคยทํานะเรามือบอ่พ่ายเอาตีล้างผู้แก่ดึงจนหิรานและจําเอาสา ่าใจหอนเท่าบุญมีหัวลานละเงี้ยจะต้องมีดอกบอนเก็บบอ่บบอป๋เปียน บ, บอ่อป๋เปียนแต่ยังได้นาน ล, ละนานละเม่ยกอยู่ เราโน่นเรนเดียมดมแมดเดมลายบนเสียงในฟังทอยคาด c h a n g phuang p h m พวพันงแจงสแสดงข้อบอนเทิงหลวงพ่อพัวผึ้ได้ลาเวลออกจากเมือดมาเสียงเตือน ม, มาเปลงหนทางบนสี่ยวดอกแปนาะพัวพนากันเป็นเกียงทางจนเพียงเกียงมีเลียนท่าน ปศนิวังสินนะเก่ยนของเก่าแล้วกว็ตั้งพายนาะดอกบอนป่าเอานา ท่านผู้เหนความ่ายตายแล้วเกิดมีผลนี่จากจนมหาลัยบ้านเพีย ง, งดอกเมื่อานาเนี่ยจังนาบางวันข้องนี่จากดอกพงเทือนเนี่จากบ้านละจากเทานมาทําเพียเ้ยนบนแจงมาแปลงสร้างบนสวรรค์นี่จากบังนหนำจะบนปวนปัน ผ้าอ้กปวงจางลามจะเอากงนอพระทรมนำมาอ่านนะเหน่ยจากทางที่มาเห่าสาวเป็นเสือที่ลงปาลาก ละท่านหลวงพ่อทองสามีแนวใดสิสอยแก่กวนหน้าคาผัวนาจานบนมียเล้าส้ำกําพิบ้าตามม้วเมื่อยเห็นหลนละละเราเป็นคนบ่ฟังไพจังบวดเรียนบ่เป็นก่าวฉันมาข่าวเล้า ว, วาเล่เอาแค่กันมันบ่ถูกพวกบ่ขายมัดบ่แก่นันเตินแน่นดอกซ่า ตั้งนสินและทาแล้วบัตั้งบัดสมบวดมาโดนน่ะบสมคนเคยเข้ารอบกาบมาเข้าขังนะสันลนสั่งเราเหลือให้เท่าบนมีหัวรันใหญ่ ล่าสางล้าเอาตังแต่จัยไพมาจากปากเบาบ่เอาเข่าดอกใสใจอ่ะล่ะคนขมเน่าคมไต้แม่นเอินใสบ่หวาซ่าเรื่องวาดวางแห่งตรงกายบ่ใสใจดอกพ่อเตียนอะละคำบาดีบ่สนจ้อยการทำทานเท่าแห่งเบื่อละคือบ่เคยบวชส้างแม่นย่อมอ่างกับบ่ฟัง ลาลาบอกเคยก็าตา้งบ่าวไ่ตันน่สงหลวงพ่อเน้่ยลาป้องใจใหมายบอกเขารอบตอตพันเนรเดิอทาน ลแหงหมดดานแหงเป็นไห้ก่สิไตแหงเป็นแป่ลาหลวงพ่อหนาลหลวงพ่อซอยนุ่นเนรละแก่จังไดจังสีหัวแยงเฮาขาวลแม่ลาบ้า แม่ละวันวานออเออเออเออเออเออเออนออเลอเออเออเออเออเออเออเออเออเออเอาเงอเออเออออเออเ เล่าเป็นคนตาฟางสร้างเดินคลองว่าเดินล่อเห็นที่แก่สีบ่อไหวเราละอันพันหลวงพอ่อทีลายโยมแบ่บนสีเอ้ยจานบนมีคือเป็นคนชรงนั่นเล่าคือสี เ, เราเคยบวชเคยเง่นแขียนอ่านอยู่ในสีเป็นจังสัน่นหรือนโยมเจ้านัหนหาเดืองใส่เล่าซื้อบอ่อเมสีเอ้ยโอ้ยบ้บแม่นดอกเพันหลวงพอ่อ บ้านเนผู้ข่าแก่งเ้าเด้อพ้นขุมเนื้อขุมไตกะเบากันเบิ้นเวิ่นยุดว่าผู้ข่าเทบัญญัตงชากันเบิดบ้านเออโลย่าเือว่าตั้งแต่บัญญัตงทอดบ้านน้ำคั้มผุนกะยังเบาพื่นเล้าอยู่ประจำบอกให้ไปวัดบ้ารถนาเงินขืนฝ้าพ่อป่านมาหน่อยเฮาเคียงบินกะยังว่าอันพ้นหลวงพอบกะสิเป็นป่านนั่นอยู่บอ อันมั่นกสิพอกือข่ำโบราณเพลนเบาเพลินบาสวัตลานโยมเบ้้ยเพลินบาจังไดน้อหบังเ้ออันเพลินบาจังสีตัวทิดแหงห่านจ่านแหงหายเสียงหน่อยจังคอยดีปวนหลายก็เลยขีหลายปวดหลายก็เลล่อไล่สันบ่อวดหลายก็เลยเป็นบ่าสันบ่อ ผู้ดีกะดีหลายจูดดอกพันอาจารเนื้เพันกวั่งพอแต่บัจจา์ของง้อมมันบดีเชื่อชื่อดอกมังผู้ขาบ้าอืมอืมเอาเอาการสั่นกบเป็นยังดอกอื หัดเนี่ยแหละหลวงพ่อฟังฟังให้เนี่ยฟังให้เนี่ยอย่าเปีพันื อ, อหันมาฟังนี่ท่านเด็ดเม็ดมันขยันเขียว เสียอย่างเดียวมีแต่โอโซทั้งเสียงเกียงดอกบินดินลาบอมีปีบอยมีพินใสแต่เสียงบอยต่อยละไอยน้อยกะบอละมีเพราะกะพิภูพันไดแต่งเตียมนิทานไม่ไข่ปาตูรู้ความจริงสรดใจเมื่อได้ฟังดอกความเบาอวานละจานบนมีเป็นคนเฒ่าในผาเรืองมา ครึ่งหนึ่งนะและครึ่งอายุแกเท่าแต่เล่าเขาดอกวัดฟ้าบวชเป็นนิ่นของพื้นผากาสาเนื่อ้นิ้นจอยและคอยศึกษาอานดูวีในหัวตลอดกาลและจนว่นนอกหมู่บ้านบวชเป็นผาในหวดทรงส ร, รงจีบวนนำจานอ่านข้องวนในแจงแสดงทําปรดชาวบา คนจดขานนักเทศใดงไยบวชแต่ น, น้อยจนหัวใสอายู่แล้วจนเครื่องคอนจึงได้ผ่าเปลี่ยนผืน เสือกออกม้าเล้า บ, บ่อฟื้นเบาความเก่าให้คนเห็นนะและเป็นลายเส้นน้ำจานผัวที่คนเคยห่อง่ะกับจองห่วงเอาสีปายกับทํลายควางเกาเ่าแนวความจินพันบ่เล่าอ้ยแนวความเก่าพันบอ่อจองและพงพองบอ่อนับถือ ไผ่เชื่อนกบเอืกอกบเอือกออออไวและทำตามจังแม่น้ำคองจานไปอยู่ใส่บ่อสมนองนะบ่อสมคองบ่อสมสางทางเคยเดินปัดเสายางขึ้นเสื้อว่านอ จ, จานจานตื่นวัดว่าัพ้าเจ้าบ่อเคยเบาหล อ, อ, อกนบหาแต่าจานซุมนี่เพิ่นว่าจานบาบาเป็นจานตื่นของสง จานบุญมีที่ชันจากาบว่าแมนจานเด้อดซุ้มเจ้าหวและจานจังหนึ่งกาบแมนจันขี้เหล่าน้ำเ ม, มาม่เบ้าโอวัดจานตาสวัดอยู่โรกโรจานคยุยโมวัดเจ้าของและสว่วนจานพี่น้องจานน้องอย่าหลงวาดวาจาจานศึกษาให้เห็นของหินตองคุณคขาน ย่าเป็นมาลุงเจ้าย่าเป็นเสาเข้าลืมกองอย่าเป็นจันจองหอง่วงหรือเพราะตาเม่วนวัดว่าเจ้าให้นับถือให้นับถือ ออและยาสิคือในเรื่องนี้จานบุญมีเป็นบาปวงและโยมบุญสีเ อ, อ้ยยาเป็นหวังขันโยมเป็นจังเบาหลวงตาเท่าสี่อยจา้าและกลับไปสาวหอดบ้านบอกว่าสั่งให้มหาเด้ยายืมสีปร้กษาวางคงก่อสาราดังนี้เมื่อเอินมีป่าสุ่มพร้อมในเวลาทุ่มหนึ่งเดยายืมแลวบอกอีีบอก ให er pues mm ้ได yeah. nah ้ยาเดิมเดิมลาลาเมลลาโยลาโอเลือ ชางสัลายมแม่บุญเียเ้อยาเริ่มบอกพอจา์เดอ้อเมื่ออื่นยมแม่เดอ้อตุ่มหนึ่งให้มาปัดสุม้มเน่ลยายบุญเสียมพเทธเนคำมขอนมหาวังเที่ยมา ความบ่นกลวมาหามองบ่นสบายเนี่ยจากปองขอบใครบ่นเหมียนนายมาหัวมนาและมาผัซสมว่าใจละวางใส่ซ้ำตนและบ่นเป็นพู้สาำเหาพว้ทั้งคุณพันเกือกอลาอลาท มานั่นเป็นพอสังอ่งขอนบอนยึดบันกัสันโอดอกบนอนหม้หลวงพ่ออยาจังแม่นสันโศกร้ายอาศัยทานน้ำสองฆ์เจียนบับปวงในทางทรรมแต่ก็ทุนบุญละคำนะเถอะหลักธรรมนั้นฟังแนนแทนผัวผัวเล้าป่อย มีอย่างยมสิสอยบอว่าเนือและตายใกล้ๆดอกวันว่าและค้ามว่าทรงนั้นหน้าขออย่าบอบให้ดวงใจ และมีเจนใจไปหมดบพเลือกทรงองจอล่ะละบ่ทำสรงให้มองเศร้าเขาวัดบ้าต้องสู้ซอยคอยประความหักปั่นบังหาสร้างดอกเรืองเล้าบ่เย็งทรงให้แตกราวขขานั้นยั่แต่เพียงขาาย่ า, าวเขาจะเศร้าหาความให้ซอยสู้ประความ วัยละละหลวงพ่อเมื่ใกล้ใจขอย้อน้อมย่อมลงเป็นอุปปัฏฐาสิเป็นปากซอยเาสิเป็นเท้าดอกซอยเดือนนาแปลวัดบ้านย้อมสิเอื้นเตือนบอกจานบุญมีให้เล่าเมีใจจาะตอตามดอกคำว่านา ให้ล้าเนื้อความเศร้าให้แล้วเศร้าจากความสัว่านี่จากความหมืดพัวมาหาแจ้งดอกบอนไปลาเถีงว่าเหล้าสิขีห้ยง้อมสิคอยดอกอโสาสัน ส, สิห้าวิธีการเอ๋ยกวามเหล้าดอกจนได้เป็นจังเลยสิฮวันหูตัวกันไปเดือพวกท่านละละขออนบอ กินบะทานมีแต่หอบพ่อไววบาตายแล้วสิจังได้บาติยนยวพังไว้ในทานกันกำลังเห็นละและลองลายเส้นป่อเก้าวินมจวนสิเห็นล้นา ตัวเตือนไทยไปฆ่าขวางปราดเดิมของไก่เห็นโมละเอียกวรวนขวงได้พองไก่เห็นโมเมลบรัพายสันดอกนาละน้อยละดือ้อ โอ้ oh, oh. พอเอ้ยมดกายใจของนงอนมฉันขอยงอมเป็นอุปัฏฐากสิเป็นปากซอยเบาสิเป็นเท่าซอยเดินเอาดอกเมื่อไปหนี่ไปหอดบานยมสิซอยหาเวทธีเอาดอกอันพ้นหลวงพอเออสันหลานยมแม่บุญศรีเอ้ยอันให้คอยปากคอยเบาคอยอ่อยเอาเรือก็กพอทิดพอจานนั่นให้เาล่าวนๆกับเล่ายา่าวหาย จังใดก็ขอให้โยมเมสีนี่จงสุกดีเด้นโ ย, ยมแมื่อไปบอกไปจารแล้วก็จะเริ่มบอกเล่ามืาออื่นามาเร่งนีถุ่มหนึ่งเด้อมาปัดซุ่มเด้นโ ย, ยมเมื่ อ, อไปสัส้นสั้นก็เจริญพ่อโยมเมื่อจะสุกจะเศาร์ไปกระบานซา่าเมื่อยายบนเสได้สนทนากับท่านหลวงพ่อทองสาเสร็จแล้วก็ได้ลากลับบ้าน เพื่อไปบอกจานบุญมีให้เข้าวัดทำความดีดังก่อนมาก็มีนักกาละครนังนเลยบ้านแลี้นะลยไม่ มันมาจากกันอีกข้างฟังกันไม่จานบุญเมืได้อยู่ดีกินดีก็เพราะว่ามีเงินใส่บวัวสนใจนำชาวบ้านเพื่อนน้าไปกินไปทานเมืแล้ววกศูสย์เปล่าทานเงินทวงและเขา้าวหันพร้อมดอกเครืองกิน อ้าวท่านใครเบิดทุกสิ่นบ่เห็นกินบ่เห็นไอ้ท่านลุงไปท่านลุงย่านแต่มันบ่เหลือข้างทานสตางได้เรียนหน้ากันท่านเสีบได้ใบเงี้ยหนียางท่านแล้วมิดจิลีจิลีจิลีจิลีโอ้โหลวบทองโวยข่งของเข่ากระเป๋าส่วนแมียใหญ่อื้อ ขี้เถียนดนอาโอโอโอโอโอโดโอ เกตดเป็นข้าวแต่ก้อนพุ่นนาแต่ข้าวบวชเปลี่นสวงดีนัวได้ดำลุงดอกข้องวัดเป็นพระสรงดอกทงขานำบวเห็นหน้าบุญ น, นั้นจักเป็นโตจังได้เนีย่ยโอ้ยอยบวดมาจนว่าไขว้นี่แก่ยี่สิบปีแต่อยู่ยางกันความดอกความนาเนีนน้ำ อ้าวบอแมน่นบ่อยบอแมน่นเฝ้าเล่นเรีนนะบวชมามากบอเห็นบนุญนะซืก้อกลอกมาคองมหือนโลดสวงใจดอกเรือล้วนไปส่วนยังทั้งคำอุปธรรมวัดว่าโพดว่าบ่อยนี่ละเบื่อซื้อออกมามีเมียเมียจะเมียบ้าบ้านนะต้นคอยเบื่อระอาพ่อใหญ่อ้เอเงีเ้ยนะ เตือนขึ้นมาบได้ล่างฮอดหนาให้กะตาไปหาสูงหลงกะหลงเกินไปหลวงพอท้องสานัน เ, เกิดเปลี่ยนนาวนลุนเล้าโหลดเขาเกิดเปลี่ยนว่า น, น่าเล้าโหลดถือตั้งแต่ขันเขาไปวัดว้าจนวาคำเบียกบ่การงานบ่ทำ เงินคำา้อเอาเกี่ยงกลับมาบานได้แต้มือได้แต้มือ โอ้ยขั้นเอาเงินไปซื้อของอยู่ของกินน่ะกายังามีแนวถือได้อิ่มพ้งยุเป็นเมือน่ะไข่บ่กคือกับยายน่ละเกิดเป็นวันใจโจดจอมเล่าเป็นคนใจหมอหลวงพาตัวหลอกต้มไม่งมเสื้ออยู่สวนเนว มแม่ใหญ่เอ้ยมือดีละจานบุญมีสีบองไห้มันแล้วต้องต่อวากันเสียทีนะโอ้ยเจ้าดีทางวัดหรือว่าเพื่อนในมันห่วเห็นยาคู่ดีกว่า่ข่เพื่อนเบายั่เหล้ากระเสือมบาดว่าเราเป็นเมียไข่เป็นผัวแทะแทเป็นอย่างเบาบ่่เสือฟัง ออยอมผู้นั่งอยู่นี่มีหรือบอกคือเมียฉันเกิดเป็นวัดนาตำบุญลดจุนไหวได้เมื อ, อสร้างอบอกคือตัวข่อยจานบุญมีเกินเหม็นเบือทั้งวัดไตวัดเหนือแม่นคข่ตายกะสิบอกไปดีๆไข่พ่อแล้วแต่บวชมันเออขออให้ดอพวก ขอใยายแม่ไยผัวขวั้ลุ้งเลยแม่ป่านหน้าบ่าวดอกลุ้งตามไทยผู้บ่เป็ียนกลับไปสายาสุมาหาเอือนเชิญหลดเดือดอกเชิญได้ผู้สิไปกับเชิญหลดดยาสุมาว่าไข่เป็นหัวลานดอกเรือนนาคนดอกเรือนนาคนโชคไข่มีจังได้หลุดผ่านพ้น หนีจากผิดของส่งเม่ใหญ่เอ้ยน่โอ้ย่ข่บ่อหลงดอกเลืมคล้องแต่บ่อทเนี่แต่บ่อทาคือคำเบาเท่าบุญสีสีดีนั่นต้องปากกันขันบ่อซื้อขึ้นซื้อ่าเมียเมีย ขึ um galaxies, player, es, beach, country, iana, ้นเสือว่าเมียเมียเมียเมียเมียเมียเมียตีเอาใสกยอมำได้ผู้ใจมีในโลกนี้ขันมีหน่อยกัวหาผู้หญิงแมนบ่นออนพอกระยุ เฮ้นั่งเมะไงบุญชีดีพี่น้องเอ้ยป้าหนีบ่ททันเห็นโพมาดูเทสช่วยเพื่อไงแล้วคอยก็บ่ได้กินข้าวเศ้าอยู่เถ้าบุญชีเราตดว่าตั้งแต่ไข่อยบาป้าปล่อยบอททนใจไปวัดว่าเราหล่ะขยันไปกว่าทำงานบ้านมา คอยบอกไปก็ดีโดนบวชมาโดนจนเหม็นเบื่อเมื่อนี่แหละคอยจิบปากกันกับเมียมันนานมาโพดแทะไผ่ที่แน่กลัวกันวับปันไดม่เสีมาจับเธอฮือเท้าวยงงอนยานางบังเวรท้าเอ๋ยเจ้าเว้าวยังบังหนึ่งหันคือว่าจะจะกระน้อมตูเบงเม่คอยได้ยินอยดีเจ้าเว้าวยังให้คอยคอยพอใจมานานเรื่องผัวคนนี้ ขาป่าไปอำเภอร้ยพี่ไปเลยไข่บะตื่นแตเหยียบงูไข่กระยั้งบะจันแต่เอามือหาข้นก็ไดตัวภาษาผัวซื่มาจอฟังตังแค่มือเหื่น้อกุแหงอยากลอกเพงป้าผัวมาจะเหื่งระจุวะคอยรับปรงเดี๋ยใจงวกขัวแม่ดองเอ้ยบ่แมน่อยเบาพื้นเจ้าดอกเท่าเอ้ยเท่า บ่แมนควยว้าพื้นเจ้าดอกเจ้าเดยินกะแล้วไปผ่านหูไปเด้อคอยบ่ได้ว้า่อยบ่ได้ว้าเจ้าบ่ได้บ้าวแมวโต大爷แมวจบดังนึงหะหมากหมาโลเถายักษว่าแมวจังชันะยบ่าวนักโตแม่เถ่าเอ้ยแม่มีหบ่โตมาปาบวานเอาโอกเอาใจดอก คำมาจากนี่จากไดเงี้ยมาแต่ดุนแล้วค่อยเม้นเบื่อเจ้าเต็มที่เบ้าพื้นนี้วจากนี้นั้นหึงแต่บะมีเวลาเบ้าเชื่อเชื่อดอกอัลเทอร์จานเอ้าแม่มันเจ้าเกลียดสิบ้าเกลียดจะบ้าข่อยบ้าพ่อใจโอ้ข่อยก็บ้นึกก็ฝันว่าเจ้าจะมาได้งี้ยฉันดอกข่อยกระจมด้วยฉันถ้าเทอาจะชาวเบ้าแต่ท่างป่ากันเลยถอดเท้าอยู่น้ากันมาจนวัด เาวะแกป้าน the the so oh ี oh ่ละเท่าเยอะเทวาเบาเทว์เ oh รื่องทีนี้ที่ป้าทียญานันแม่เท่าขั้นเป็นป้ากันแลวเจ้าก็คือยูบอว่า่อยจีหาไดอีกยูบันย่างหรือไม่ที่พ่มียูบ่เทว์ได้ใช่ไหมหาเบาเจ้าบอสีเองตางหาบววแต่โดนจางบอคือเพื่อนบ้านชัางเช่าขาดเขาบอว่านางตายอยู่ใจเย้านบอเบงบานเบงย่างเทอเลโอ้ยสาวใจเย็นสาแต่ให้เบามาก็่จะเปนข่อยนายน้าผัว ถามมันป้าใดคือจังป้าเกิดป้าเก๋อ่อยจีป้าไปมันถิ่มนะแม่ผัวนี่ไปหาชื่อเอาคู่มานนี่ดอกโอเขาเขาเอ้ยคอยดูเฝผาเฮือนเผาให้ไปเฝผาหน้ามันก็ดีกว่าไปเฝผาโบกไผ่ให้โลดได้ระเท่าดีกว่าคอยไปเล่นน้ำควนบังไฟได้ระเท่ามันบารีจ่าจางดอกแต่บางคั้งจะหายบ้านดีงาม แถวหมาลานเดินคู่แถวบักตู่เดินไถยโอ้ยคำกระรานค้องคำกระรานสามคำกระรานนแม่เถาเออเถาลานจังคอยลานงามลานคองได้ แ, แม่เถาล้านหูจักพี่จักน้องหูจักจักพี่นอ้องต้นคอยนันลื่นคตตัวแม่เ่าโตดหมาห่วยฉัมาใช่มาเฝ้ า, เาตําเทนอะตดหมาพ้านะ้านหูจักพี่จักน้องหาเฝ้าจางนาบ่าอาย พี่น้องข่อยบ้าหัวเห็นหนากอเพราะว่าเจ้านั่นเห็นจะเกิดตัวบ่าหูจักพาจักจ้วงสั่งจ้วงได้จากไอบ้านโอ้ยเบาะมาจะไม่ข่อยไหนนายนายปามันได้คือแก่เสือออกจากทิ้งจะไม่สีปามันคัดหร้อขวานมาแถวว่าแม่เจ้ามามีผู้เบาวไม่บังบ้าแล้วขันเป็นจังเป็นข่อยย่าเดียวหาเพระถ้ายกใหม่เหมือนรักของเราต้องจบเพราะเธอมาพบคนใหม่ ตัวฉันก็จะทำใจเอา <laughs> แต่บัตายก็หักละทำเ่าโอ้ยคือจังสีดอกเ่าเอ้ยคำว่าข่อยหูนันมันก็คือของเ จ, าจ้าจางกันโคละบอนเห็นไปมาข่อยกบหูก่อนสีมายืมบาทเบียเ ง, ยงินลอยหกหมื่นไปอันชูมผระเนีนก็คือกันนันละเ <c oughs> <c oughs> บ่า <c oughs> นำเทาดีาแต่แต่ยามอยากขอนันขอนี่ขอนันละ ขอผู้นั้นขอผู้นี้คอยเลยย่านเรื่องวัดว่าจะทอดเถ้ายาเป้ากันเทอดเถ่าเออบ้าเป๋าก็ได้แต่ว่าเจ้าต้องไปหาหลวงพ่อมันมีแนวสีเบ้าท่านก็ไปกับบอยู่ข่อยดูนําเจ้าค่ะค่ะหลวงพ่อพันช่างม้าว่าให้เจ้าเขาไปหาโอ้ยมันคือบอกอันแนวจีบบ๊วถือโลกะญยาด่อยแฉโนเถ่าเอ้ โอ้ยเป็นจังเป็นคอยยันคอยคิดก็บูนแทนเจ้าดูดิคันบอกคอยไปวัดนะนั้นเถ่าเถ่าเอ้ยไปแนวใดคอยบอกว่าดอกได้ว่ากันเถอะคอยไปวัดไปว่าโอ้มาคือปันว่าแกใหม่ทางป่ายทรนยโน่น้นเถ้าคอยว่าไปดอกแม่เถ่าบ่ไปบ่ไปเออเจ้าบ่ไปก็ได้เจ้าบ่ไปก็ได้ ่อยให้ชี้ไปเองแต่ว่าคอยชีบอกกลับเคื่อนมาจีตแตงของไปพร้อมอยูท่าด้าาวเ ถ, ถ่าห่างวุยโอ๊ต่อเเเจ้าจีแตงของไปใส่ไม่พระบวชชีก็ชีไปบวชแม่ไม่ไดักข่อยขับซาสาผัวฉันข่อยบอไปเจ้ายืนคำขาด่าเจ้าชิป๋าข่อยวัดจีมาแล้ววยเจ็ดจังได้ น, น้าบดในใต้ละกูฮานีโ <c oughs> อ้เอาเอาฉันไปกับไปเถ่าเอา ไปวัดนั่นมันดีกว่าป่ามีอัตรน้องพี่น้องเออพอดองเออกไปจังฉันในแม่พอที่ไปหนเดียวเ <c oughs> ท้าต่อไปจะทำเอาเบาเออพอทีไปครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเออว่าเป็นหนังดอกว่าไปโหลดไปเท้าเดียวเขยกับว่าอกเท้าหนาข้าไปเผาโลยว่าเจ้าอันนี้รมสาสบมาแทงขวัญจังสีราเจ้าเออโอ้ยหนอ มันคือลำบากใจเจ้าพี่น้องเอ้ยไปวัดไปว่าไปแล้วมันบ่มีแนวใดมันบ่มีแนวดามิเตตะกะกะตาเปล่ากลับขื้นมาชื้อขาดทุนเรื่องไปวัดโอ้ยหนอโอชีวิตกูหนอบ่ไปเมียกะิีป๋าไปกลับไปบยดีกว่าป่าเมียเมี ย, มยป่าเมื่ออาจารย์บุญมี ถูกผู้เป็นเมียของตนได้บังคับให้ไปวัดแล้วเช่นนั้นแสนจะอึอดอัดในหัวใจไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีหลวงอหลวงพ่อก็มาเรียกหาในเวลานี้ถึงเวลานัดหมายแล้วก็จึงได้แต่งกายออกไปสู่วัดพอไปถึงแล้วก็ไม่เห็นมีใครนอกจากหลวงพ่อทองสาอยู่รูปเดียวเท่านั้นจึงได้พูดออกเผยเผยบาจาออกไปว่าหลวงพ่อ หลวงพอ่ออืออันในดน้อละพอญ้มจันทร์ตออรัวนี้สนอใจระหว่ามีการประชุมประชุมบ่แมนตีคือบอเห็นผู้ใดจากคนเดียวไปเลียวมาไม่หลวงพ่อยูรูปเดียวทอ น, นี้เอออาตามากําลังจมุมคือทอดอยู่พอดียมพ่อจานทร์บุญมีเ อ, อ้ยอาตามาค่อยเติร์นแต่นั่นแล้วว่ายม่สี่บอม่าไผไผ่กว่ายมสี่บอมาบ่า อาตามา ก, ก็เลย่างโยมจะตอกมานแน่นอนอาตามา ก, ก็ยืนยันกับเขาอยู่บ่มาบ่อไดตัวออขั้นบ่ามาบ่อใดาขาดเชื่อกตัวงานนี้พ อ, อน้ามชาชการกราบนามาราชการหลวงพอด้วหลวงพออันประชุมเรื่องใดเนี่ลเคืออันบ่มีข้นแท้หาน อันนี้ละโยมพ่อจารย์เอ้ยเดี๋ยวนี้มันกระสามถุ่มแล้วอาตามาก็พร้อมกับหนาตัดโ ย, ยมกระถาโดนหลายก็เลยประซุ่มก่อนเสนโยมพอจนประซุ่มเดืกแล้วตนพ่อจาย์จังมากสันนี้พ่อจานเนืรอชุ่มแรียวว่าติประชุมเรื่องใดน้อหลวงพอ่อโอประซุ่มเรืองใดแม่บออาตามากระพร้อมทั้งภูญิบานกรรมาการวัดได้หนาตัดโยม ได้ประซุ่มกันเรื่องสีสางซาล่ากันประเดี๋ยวดังไม่นี่ล่ะพอจันเลยพอว่าหลังเกานันมันกับปวกกินเบิดเหลวมันสลักฮักพังโล่งก็เลยว่าสีสางอันเป็นซาลาหลังปูนดังไม่ทา้งหลังอทังหลังเลยสันดอกอันพยมพอจาย์ห่วยหลวงพอ ม, มันจีบบอระบาด ก, กับหยาดกับโยมบอระ บ, บากใจหยาดโยมบอหลวงพอเอพออยู่ได้ก็อยู่ไปก่อนเปียงหลวงพอ Mm hmm. มันแหงอืดแหงอยากเงินทองกองแกวกระห้าแยบเอ่อตัวชื่อใด่ละบาเจรชาลึงน้ำมันกับแพงของกับขืนราคาดูไปก่อนเป็นอย่างหลวงพ่อเออเออมันก็แมอยู่ดอกพอจาร์เลยมันความเจ้าอยู่คันบ่เอาใจใส่กันวาดกับวาดกับวัดกับวานั่น อยู่ใอยู่จังใดกระใดโยมพ่อจารย์เอ้ยแต่ว่าเห่านั่นกินเข่าเข่าเด้เห็นอันใดบอดีบองงามจะต้องดูแลตั้งซ้อยปฏิสังขรณ์ข้นไม่สันต์ตัวส้อยกันคนดามัยคนละมือจังเอ่อมันสิบว่พ่อนักจนเกินไปที่อาตามาวา่าคันบ่แล้วปีนี่กับปีต่อไปกับจังข้อเฮ็ดคอยสั่งต่อเติมไปอีกกระไร ด, ดอกพ่อจันโอ้ยหลวงพ่อเอ้ยมันก็แมนอยู่ดอกหลวงพ่อ โยมญานหลวงพอ่อลําบากนันดรเดี๋ยวผู้นั่นกัจจีมาเวบาผู้นี้กัจจีมาเว้ า, า, ว, าว่ามาเบียดเบียนหยาิโยมเขามาคมเหงบอกบียติ่งเขาฉันดอกอหลวงพ่อในสถานาการณ์บ้านเมืองกําลังปันปานกังขีอืบุ่นนะ้าตั้งแต่ผมบวชมาตั้งหลายพันสายี่สิบกว่าพันสาบอเห็นผมเครียดอีหยังเลยชิงต่างต่างบ่าวจิเป็นกุฏิวิหาร การปรเรียนผมกระหมอบหมายให้หาติโน้มเป็นผู้ออกหัวคิดหัวหาเอ อ, อบวชมาพักพรบมันบวชมาแบกพระพระหับพระระได้ไดรวงเออโอ้ยเจมันเบาไปยาวนอกเดาความเก่าความหลังของเจ้าของสูบฟังมันแม น, มนอยู่ดอกสมัยนั้นโยมพอจันเต้ว่าสมัยนี่มันบอขึ้กันเด้ออันจีอันจีเฮ็ดหยังถําหยังจะต้องทั้งวัดทังว่าเป็นผู้ว่างเผนการดี ชาบ้านจังสีหู โบจังสันมั่นกระซิบว่เป็นวัดเป็นว่าไปได้ที่ละพอจานโบคือเกาคือหลังต่อสมเอร์นี้โอเบากังเว้าโอเค้างอือดีวัดดีแบนแน่ น, นอนสัน่งเนนนอนเนื้ท่านหลวงพอที่ใช่งบประมาณหลายปันได้ที่ละโอใส่งบประมาณการสื่อสัส่งสารานี่ยเปนบอค ร, รับผมโออันกันยังโบท่านแน่นอนดอกพอจาอย์เลยเนี่เออแตาว่ากะห่างค่อยๆทําไปไเรื่อยๆ ต่างค้นกับต่างซอยกันพละใหม่ละมือซอยออกพละพันสองพันพุลละย่มพอ่อเอ้ยร่วมกันแลวละห้วยหลายเมือนอยู่ตัวพ่อสมควนอยู่ด้ล่ะเดี๋ยว แ, แ, แ, แต่ย่มอมทอนแล้วผู้เป็นหัวหนา้าหัวตากระได้เดี๋ยวแต่ย่มพ่อนี่แล้วอออือ มาบาดจังงเราหานนั่นแหละเมื่อไเขาออกเวอด์ัไโนมพ่อสรีวาแจงเลผู้เป็นหัวหน้าหัวตาผู้ไขกูมูสันด้เป็นมันบดถือหลบพญาติคอยแพร่โอ้บรรดกพญจ์ยังเหล่วนันีกกระมันบดเกี่ยวก็พยญจได้เอาเอาเอาติมันอยู่ในท้องตัวมันสิมาอยู่ยังทั้งนอกนี่โน้หลวงพ่อน้ากันร้ายพอสมขวัู่ตัวนอกรหลวงพ่อเนพ่อสมวัญจังสันโน้มกัีคอยเบิงซอยแยงจังสันรัดหลวงพ่อเอ้ยฮ ว่าชิดพยายามซอยเบิงซอยแง่งซอยด้แงอยู่ดอกขนาดซอยเบิงซอยแง้งว่าสันว่าเอออะไรก็ดีคือการย่มอะไรย่อมทิ่ซอยหน่อยซอยหลายปันใดนอพูดที่ว่าผู้สมควรในผู้หนึ่งอยู่ในโมบานของเฮ่านี่ออกจากเมือนสานอย่มพอน่อยจังสีพอดีอาตมาว่าสมควรไอ้ย่มพอนี่ยเมืองนึง ย่อมพอกับหางตางมี่ลุ้ยโกเขาอยู่ในบ้านนี่แต่ดีตอบอัตมาว่านี่ยยมพอใข่มีหนาไม่แต่ลุวยโกมูสันเดียอยู่นี่ว่าอัตมามาจักเมือนี่คือสิ่งเพราสมควญอยู่คือสิบ่านักว่านาดอกว่าเอาก็เป็นว่านาหัวตาโมนอกเป็นผู้วุ้เบิกแทมนยังอยู่ไก่วัดอีกสำนากโอโอ้ยโอ้ยจว่าจังฉันทว่าอจาว่าจังฉันเนาะเอาถ้าจังฉันก็โอเคฮะโอเค โอ้ยดีหลายดีหลายได้ ย, ยมพอบุญมีเอ้ยอันขอขอบบุญขอบคุณได้หลายยมพอที่เห็นความสําคัญของบ้านของเมืองความสําคัญของวัดของว่าของอารามอยู่อขอบใจขอบคุณได้หลายยมพยมพอ อ, อบยมขอบคุณมเฮกอาเอาเอาเอาคอมากขอบคุณผมเฮกงหันเอาเพราะขอบคุณจใจไหนที่ยมมาสิออกซอยต่างหมื่นหนึ่งบุ่นว้ยท่านสิบวุฒใจยังบอทท่านว่าสิใดตกโลกบอทท่านทว่าสิไดออกได้เหล้าเอา้า ขญุ่งว่านึงหันดียุ่งพอบุญนี่ว่าโอเคแล้วกะสิเป๋ว่าดโตกลงสันตุหล่อพ่อจานโอเคนั่นบไดไอเปลวโตกลงด้หลวงพอ่อือจะชะเข้าใจใผิดมาคือสีว่าจังสั่นนาะละพ่อจานเลยของคนก<ด>ันนั่นแปลวโตกลงอยู่ออแต่ว่าขอของขอจานบุญมี่ผู้นี่แปลว่าไม่พร้อมไม่พร้อม ไม่ตกยังบอเขาใจว่าบ่อพรอยู่ไหมายถึงบอกว่าบ่อไห่สันบอกยังบอท่านเด็ตกลงจับน้อยแลยจะมาขอบคุ้นที่ยังโอ้ยยาชมัดีใจตีโตไปก่อนไข่ถอนวัวบอกกันต้องโดนต่างนานบาทนี่สร้างบ่อว่าผมสี่คอยเบิ่งคอยแง่งสี่คอยพิชจะละช่อมเบิ่งดูดอกกันย่งว่าแต่ว่าเรื่องเงินมือนั่นโอเคแปลว่ามันไม่ตกลงโอ้